ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้พ่อก็จะขอย้อนกลับไปที่เริ่มการเดินทางไปปักใต้การเดินทางไปปักใต้นี้เราเริ่มกันตั้งแต่วันที่15เมษายน2521รถที่ได้อุปการะในคราวนี้ก็คือหนึ่ง นิสันอียี่สิบของแม่ปิ่นพวงทองที่มอบไว้ให้แก่ศูนย์เป็นการใช้ในกิจการของศูนย์หนึ่งคันแล้วก็รถเบนของอพันเอกแพทย์ญิงวีวรรณำนวณกิจมอบไว้ให้ศูนย์ใช้สอยในกิจการของศูนย์อีกหนึ่งคันแล้วรถใดนาซึ่งตีงเล็กเนื้อสัน เจ้าของบริษัทขายรถยนต์สูบารุมอบไว้เพื่อกิจการของศูนย์อีกหนึ่งคันเป็นรถครัวแล้วก็มีรถดันโรเวอร์สองตอนเรื่งพลโทร ท, ร ท, รทรนทองสวรรณทัศเจ้ากรมยุตการทหารบกและกรหน่วยการศูนย์ร่วม ก็นกองบัญชาการทหารทั้งสุดได้กรุณาส่งมาให้สรงเขาใ น, นในการใช้บุกฝ่าบุผาดงและก็มอกจาสิบเอกหนึ่งท่านเป็นผู้ควบคุมรถและให้เงินค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายประจำรถมาอีกสามพันบาทนับว่าทุกท่านเป็นผู้มีพระคุณกับพ่อมาก เราจะได้จะมีสิ่งทั้งหลายเรานี่ใช่ได้เขาก็ใช้ความเกื้อคุนเขาท่านนั้นหลายตามที่กล่าวนามมาแล้วนี้ดังโดยยาพ่ออย่างยิง่งหลังจากวันที่ยี่สิบนี้ไปในระหว่างที่พ่อพูดทุนนี้พ่อพูดอยู่ที่ตชดดอเขต 8, แปดอำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรถที่ท่านพลอากาศโทมอมรัชวงเสริมสศสวรัต ที่เราให้นมามว่รถตรงเต่งหรือว่รถอีสุสุจุบันจุคนนี้ยี่สิบคนเศษเก็กำลังพาคณะของลูกหลานลูกที่รักจากกรุงเทพมาสมทบกันที่ทงสงเป็นนั้นว่าการเดินทางจะเป็นไปได้ดีเพราะว่าสายความเมตตาปราณีของท่านพอ ม, มีความดีทั้งหลาย องสมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าสุขทโทยานโทโหติซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ให้หยดยานพานะชื่อว่าให้ความสุขพระพุทธเจ้าหมายความว่าถ้าเราสงเคราะห์ในการเดินทางของบุคคลอื่นเป็นการให้ความสุขกับเขาแต่ความสุขนั้นก็อย่าทอดจะสะท้อนมาถึงเรา รวมความว่าการที่เราบังเอิญจะต้องเกิดในชาติต่อไปอีกถ้าเพิยงมีเราก็จะกลายเป็นคนที่มีภาหนะใหญ่ไปไหนมาไหนได้สะดวกสำหรับเรื่องนี้พ่อของวดเว้นุ่าทางความเกียงเทาง่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาปราณีต่อศูนย์สงเคราะห์คนผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาล ซึงพระบาทสมเด็จพีะหัวทรงมีพระราชประสงค์ให้แต่งให้ตั้งขึ้นโดยมีพ่อเองเป็นผู้ควบคุมศสนฝ่ายพระก็มีสมเด็จพระพุทธโธฆษาจารย์วัดสามัญาเป็นประธานอุปธรรมฝ่ายพระว่ายก็มีพลรเอกจิตสังคดุลเป็นประธานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ร่วมงานถือว่าเป็นกรรมการทั้งหมด บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนพ่อถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์แต่ว่าเป็นที่น่าเชื่อใจที่ส่วนนี้ไม่มีทั้งเงินเดือนไม่มีทั้งเบีย้ยเลี้ยงลูกๆทุกคนต้องทํางานกันเนหน็ดเหนื่อยสายตัวเกือบจะขาดไม่มีใครเคยปรีบปากพูดเรื่องว่าไม่มีความสุขม่มีความลํำบากแล้วก็เสียสละทั้งแรงงานเสียสละสงเสงินช่วยเหลืเพื่อคุณในการเดินทาง ด้วยความจริงพ่อคิดว่าถ้าลูกไม่ยอมบริจาคทรัพย์เลยจะช่วยแต่แรงงานและพ่อจะต้องออกเงเลี้ยงให้ลูกเพื่อกินมีความกินอยู่เป็นสุขในขณะที่ปฏิบัติงานเท่านี้ก็ไป่ที่พอใจของพ่อแล้วพ่อคิดว่าการจะจ้างคนอื่นคงทำไม่ดีเท่าลูก แล้วก็เงินก็อย่าเสียมากงานจะได้น้อยแต่ว่าลูกรักของข้อทุกคนแทนที่จะเป็นคนรับเงินกับก็เป็นคนจ่ายเงินแล้วก็ทํางานทุกอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ทํางานฟรีแต่ว่าทํางานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยจ่ายทรัพย์ด้วยฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติงานกันจริงๆแต่ละคราว ยังมีพระบ้างมีพรหมบ้างมีเทวดาบ้างประชุมกันขนาดหนักท่านร่วมกันโมทนาทถันถนะือว่าเป็นงานที่เนื่องโดยปรัมมัทธบรามีฉะนั้นบุคคลใดถ้ามีกําลังใจเข้าถึงปรัมมัทธบรามีงานที่ทําก็เป็นปรัมัทธปฏิบัติทำมาปรัมัตธแปลว่าอย่างยิ่งหมายความว่าลูกมีกําลังใจที่เป็นมหากุศลสูงอย่างยิ่ง เพราะงานที่ทำนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นมหากุศลอย่างสูงเพราะว่าเนื่องจากเมตตากรุณาโุทตตาและเวขาทั้งสามระการตอนนี้ขอย้อนกลับวัดวันที่ 14, สิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดพอได้มีโะกาศเข้าไปเฝ้าพระ บ, บาทสมเด็จพี่เจ้าอยู่หัว ตอนจะกลับะอรโซทราบว่าวันที่สิบห้าจะเดินทางไปปากใต้ยังได้มีพระลำดับว่าผมขอฝากงานด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพราะองค์ไม่มีเวลาอยู่ไปเยี่ยมคนได้ทุกจุดเราก็ต้องช่วยคันทาแค่ถือว่าประเทศนี้เป็นของพระบานนทสมเด็จพระจอยู่ขัองอค์พระองค์เดียวก็หาไม่ ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องคิดว่าประเทศนี้เป็นของเราทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยและก็คนทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยเป็นพี่เป็นน้องกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจุดนี้จุดหนึ่งวันที่มันจะแกการเป้าพ่อก็กลับคืนนั้นมีนาทีขับรถมา ร่วมด้วยบุคคลที่นั่งมาด้วยคนหนึ่งคือพันจายเอกสายเวลาเชา้าเราก็เดินทางกันจากวัดเวลาเจ็ดนาิกาสามสิบนาทีผ่านเขตอำเภอวัดสิงจังหวัดเชียนาถผ่านเขตอำเภอสันบุรีจังหวัดเชียนาถเข้าดงเทพ ร, รัตน ดงเทพรัตน์นี่เป็นดงประวัติศาสตร์ถ้ามีโอกาสพ่อจะคุยให้ฟังตอนนั้นมาก็ผ่านหน้าวัดท่าช้างเป็นวัดที่เราร่วมกันสร้างและก็เป็นสาขาของศูนย์เห็นโบทสวยคุติสวยบริเวณดีพ่อก็ชื่นใจหลังจากนั้นรถของเราก็ผ่านอำเภอเดิมบาง เขตอำเภอเดิมบานนี่เป็นเขตประวัติศาสตร์แล้วก็ผ่านตลาดนางบสถตลาดนางบสถก็เป็นตลาดประวัติศาสตร์ผ่านเขตอำเภอสามชุกอำเภอสามชุกที่พ่อใหญ่จะเรียกว่าอำเภอสาวชุกเพราะในเขตนี้มีเขาหนมนางแล้วก็เขานางบสถแล้วก็ อะไรตำ บ, บลศพหรือ ว, วัดศพอะไรเอาจำไม่ได้ชื่อไทยมาันลงศพศพแปล ว, ว่านางตายคื่ก่อนที่นางจะบวชนางก็ตัดนมก่อนตัดนมแล้วก็โยนไปมันก็กลายเป็นภูเขาสองลูกมองคล้ายๆกับนมตัดแล้วก็บวชบวชเป็นพระบวชพระต่อมาก็ตายนี่ไม่มีวัดเผาศพหรือเขาเผาศพอีกด้วย หลังจากนั้นเดินทางต่อมาก็ผ่านเขตอำเภอศรีวัช ร, ร, ร์เขตอำเภอศรีวจัชร์นี้ก็เป็นเขตประวัติศาสตร์เอาไว้โอกาสหน้าคุยกันต่อมาผ่านหลังประตูน้ําโพขยาอันนี้มองไม่เห็นเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเข้า เ, ตเขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่สมัยก่อนเขาเรียกว่าอำเภอท่าพีเลี้ยง ไอ้ท่าพี่เลี้ยงนี่พ่อก็ไม่ทราบว่าใครเลี้ยงใครรถวิ่งผ่านมาเห็นป้ายบอกว่าวัดลาวทองอยู่ขวา ม, มือเห็นวัดลาวทองสมัยก่อนพวกเคยรู้จักพ่อมาเด็นไปจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแต่พศ .2497 เวลานี้จังหวัดสุพรรณบุรีแปลกไปมาก วัดลาวทองเคยห่างจากตลาดจังหวัดจริงๆสามกิโลเมตรแต่ว่าถ้าว่าเวลานี้วัดราวทองก็อยู่ในเขตเขาเมืองซะแล้วเขตเมืองขยายออกมามากเพราะน้นวัดลาวทองก็สะดุดใจคิดถึงบุคคลคนหนึ่งในสมัยขุนแผนเขาเรียกว่านางราวทอง ความจริงนางลาวทองคำว่าลาวทองนี้ไม่ใช่ชื่อจริงๆชื่อจริงๆของท่านพุนนี้นับในอดีแต่การนานมาแล้วมีนามโภาัเมื่อเห็นป้ายวัดลาวทองก็ น, นึกว่าวัดนี้ก็เป็นวัดประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอยู่มาก ที่น่าจะรู้แต่ก็ไม่รู้ในตอนหลังตอนนี้คุยเรื่องเที่ยวกันสักก่อนเห็นวัดลาทองก็นึกถึงท่านพลอากาศโทมมอมมัดราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมเสดสาดทหารท่านมีความสนใจในทรัพยากรของประเทศตามเขตก็ได้ยินข่าวมาว่าในเขตแห่งจั้งแต่ประตูน้ำโพพญา ถึงตัวจะหวัดสุพรรณมูรีเดิ์มันยาว8กิโลแต่เรยวนี้คงจะเหลือ5กิโลเพอเคจังหวัดขยายไปไกลแล้วก็8กิโลสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นจุดที่มีน้ำมันแหล่งน้ำมันใต้ดินมากพอสมควรจุดที่ใกล้ใจกลางจริงๆก็คือบ้านสนามชัย วัดสนามชายนี่มีวัดวัดหนึ่งเขาเรียกว่าวัดเราเจมื่นไวัยวรนาถแต่ว่าสภาพของวัดหมดไปสมัยที่พ่อไปพบมีแต่เจดีย์แต่ว่าเจดีย์ก็กร่อนเต็มทีสงสัยว่าดีไม่ดีเวลานี้เจดีย์ก็กลายเป็นพื้นดินไปแล้วทเทเลเตอร์คงจะถ่ายหมด จุดใกล้ๆนั้นจะเป็นจุดแหล่งกลางของน้ำมันที่จะพึงหาได้ในประเทศไทยหรือว่าหนึ่งในจุดหนึ่งในหลายพันจุดจนหลายหมื่นจุดขั้นผ่านวัดลาวทอมันแล้วก็แต่เดียวเดียวก็เห็นสลายว่าการลรั่กลางประจำจังหวัดจะสารจังหวัดพ่อก็งงเต็มที สมัยก่อนมีคนบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อเห็นว่าไม่เป็นไม่ใช่ของแปลกแต่เวลานี้เข้าจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่รู้เรื่องเลยเอาเรื่องอะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรทั้งหมดเป็นอนวุวาสผ่านนาสลากลางจังหวัดทิงสามแยกก็เลี้ยวขวาข้ามสะพาน พอเลีเ้ยวเบนขวามือก่อนสร้างสะพานเขาเขียนป้ายว่าวัดโพครานวัดโพครานนี้ก็ไปวัดประวัติศาสตร์สําหรับพระกินน้ําตาลเมาเหมือนกันเยียงหน้าวัดโพครานิดหนึง่งเป็นวัดสารพีไม่ไกลกันนะักเมื่อข้ามสะพานมาแล้วเห็นเจดีย์เกา่าๆนั่นคือวัดพระธาตุวัดพระธาตุหรือว่าวัดพระบรมธาตุ เขาทึงกันว่าถ้าวัดไนเะจ้าต่งจังหวัดไหนมีนามว่าวัดมหาท่ายคนดีวัดพระท่ายคนดีวัดนั้นเคยเป็นเ ม, มืองหลวงเป็นเมืองหลวง ม, มาก่อนสําหรับจังหวัดสุพรรณบุรีก็เคยเป็นเมืองหลวง ม, มาก่อนในอดีตเมื่อข้ามรถมีมานิดเดียวซึ่งสมัยก่อนต้องเดินกันนานก็เข้าถึงวัดป่าเลไ ร, ไรัย วัดปารีไร่ก็มีแรงมีงานประจําปีคนดีรถขับข้างคนขับข้างมากงานทเทศกาลในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความสําคัญที่สุดก็คือวัดปารีไร่โดยที่ทางวัดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ทําได้แล้วก็ได้เงินมากคนไปนมำเสดการกันแล้วก็มีมรสกพก็ไม่ต้องมี มีคนไปซื้อข้าวขายของที่นั่นก็ต้องเช่าที่ของวัดเรียกว่าวัดได้ทั้งขึ้นทั้งล่องไม่เห็นวัดป่าลีไรเข้าก็นึกว่าวัดป่าลีไรเป็นวัดประวัติศาสตร์สําหรับเรื่องคุณช้างคุณแผนแล้วก็ควรจะเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของพระบาทอันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยปาลีลรอากาศที่พระพุทธเจ้าทรงหนีพวกพระ โอ้สัมผีที่ทะเลาะกันไม่สามารถทีกันพระพุทธเจ้ามาจําบรรษาหนึ่งพรรษาเป็นแดงไกลมากในพระบาลีพระไม่ได้บอกว่าที่ไหนเป็นแดนที่คนพระท่านหลายไม่สามารถจะไปถึงแตาเท่ว่าพระผู้ทรงคุณโอทีพิเศษ ท่านบอกว่าด้านป่าเลไลา ย, ยากะจริงๆก็คือที่วัดป่าเลไลนี่เองก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ในเขตใกลช้ชาวบ้านเขาก็ไปถึงในชาว บ, บ้านก็ไม่พบพระพุทธเจ้าได้เลยแล้วหน้าวัดป่ า, ลลาเลไลก็มีวัดจุวัดหนึ่งเขาเรียก ว, วัดประชมสงฆ์แต่วัดนี้สลายตัวไปนานแล้วเหลือแต่เจดีตั้งอยู่ วัดไรชุมสงนี้ก็เป็นวัดในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าจําบรรษาอยู่ที่นั่นพระนนทราพระห้าร้อยรูปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแค่แต่ว่าให้คอยอยู่ตรงนั้นคพระนรินเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระโอตะองค์เดียวก่อนต่อมาองค์สมเด็จพระจินนวรส่งมาประชุมสองตนนั้นคือหน้าวัดปารีไรที่มีเจดีย์เด่นอยู่โดงนี้ นั่นเรียกว่าวัดประชุมสงฆ์เป็นที่ประชุมสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าแล้วสำหรับวัดป่าเร่ไรนี่ก็บอกว่าวิหารนางพิมพ์หรือวันทองเป็นผู้สร้างนางวันทองคำวันทองนี่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านทื่จริงๆมีนามว่าพิมพ์ีพพลาไหล ถ้าเราจะล่องใต้เลยจังหวัดสุพรรณไปอีกหน่อยหนึ่งจะพบวัดวัดหนึ่งมีนามวัดคุณไกลวัดพุ่งไกลเป็นพุ่งไกลเป็นพ่อคุณแผนเรื่องนี้อยากคุยฟังกันเลยเอาไว้นานๆมีโอกาสจะเล่าให้ฟังมันเป็นทั้งประวัติศาสตร์และก็เป็นท่างนิยายดย้วยควรเชื่อบ้างไม่ควรเชื่อบ้างแต่ก็น่าจะรู้ ในเมื่อออกจากป่าเไรไรสมัยก่อนเมื่อพ่อไปนอนหลังมัดป่าเรไรไปไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรเป็นป่าทึบในเวลานี้พออฟองไปยินสุดสายตายังมองไม่เห็นป่าเลยมาเตียนไปหมดหลังมัดป่าเรไรพ่ะจำเนื้อที่ไม่ได้จะหาประมาณสักหนึ่งกิโลหรือสองกิโล จะมีสัจโยสีสะมินนามสัจเฆอสคขาสัจยมนาสัเกตเป็นสาประวัติศาสตร์ก่อนประพุทธก่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเหมือนกันแต่พ่อก็ขออดไว้ยังไม่เล่าสู่กันฟังเดินทางต่อมาผ่านอำเภออู่ทองสมัยก่อนอำเภออู่ทองกว่าจะไปกันได้ต้องอ้อมวิ่งเรือยนต์ไปถึงตั้งวัน ถ้าเรือชาหน่อยวันหนึ่งก็ไม่ถึงแต่เวลานี้ผ่านล้างวัดป่าเลนไหลไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ถึงอำเภอโอทองมันใกล้เหลือเกินถนนหน้นทางนี้ให้ประโยชน์มากความจริงวัดในอำเภอโอทองเป็นวัดเป็นอำเภอบวรศาสตร์นมนานตั้งแต่อดีตการนานมันแล้วถึงใกล้ปัจจุบันน่าจะคุยสู่กันฟัง อแจ้งอำเภอโอทองเข้าเขตอำเภอสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องนี่ก็น่าจะคุยเรื่องเด็กหญิงเล็กๆที่พ่อตายแม่ต้องไปอยู่กับเขากับกำนันทํางานเพให้เขาอย่างเดียวเพื่ออาหารเลี้ยงลกูกถ้าจ้างอย่างอื่นไม่มีน่าจะคุยกันแต่ก็ยังไม่คุยตอนนั้นรถ ของกองประช า, า ก, การอาหารท้งสุดน้ามันหมดแวะเติมน้ามันออกจากเดินทางจากอำเภอสองวิ่นน้องเข้าเขตจังหวัดนคนปรปฐมเห็นป้ายใหญ่เขาเห็นว่าโรงเรียนการบินก็เป็นว่าที่นั่นเป็นกำแพงแสนเลาะละานนัดตัดถนนไปตามลำดับก็เข้าเขตอาเภอกำแพงแสน เปน็นอำเภอประวัติศายของคนดุสุรพลสมบัติเจริญที่ตายเขาบอกว่าตายเพราะฝีมือของคนกำแพงแสนแต่ว่าจะไปโทษคนกำแพงแสนทุกคนเป็นคนดุคนอำเภอกำแพงแสนนับแสนคนแต่แต่ว่าอาจจะมีคนดุทักงสิบคนถึงแล้วไม่ถึงก็ไม่สราบอย่าโทษกัน ผ่านเขตอำเภอกำแพงแสนมาแล้วก็เข้าจังเกียร์จังหวัดจังหวัดนครปฐมเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาพักรับทานอาหารหลังจากรับทานอาหารเสร็จออกมาจากจังหวัดนครปฐมมาเติมน้ํามันที่ปั๊มคอนอกเป็นเวลาสิบศองนากายี่สิบนาทีพอดีเติมน้ํามันเสร็จก็เดินทางต่อกันไป ร้อลัดตัดทางมาจากจังหวัดนครปฐมเข้าเขตจังหวัด ร, ราชบุรีเมือ่อก่อนจะถึงจังหวัด ร, ราชบรุรีเห็นฝนตกขาวสึกแต่ว่ารถของเราไม่ถูกฝนว่าฝนตกแค่ก่อนออกจากเขตจังหวัด ร, ร, ราชบุรีเข้าเขตจังหวัดเพชบรบุรีตอนนี้รถของเราถูกฝนอย่างหนัก ออจากเพชรบุรีแล้วก็เดินทางต่อมาจะเข้าประจกิริคันผ่านหวัวหินขอโทษผ่านปราณบุรีผ่านกุยบุรีพอถึงกุยบุ ร, บรีตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบผ้านาฬิกาเศษรืมเมาเวลามาปรากฏว่รรรารถที่พ่อนัง่งที่สันอียี่สิบสายยางท่อน้ำแตก รถมีความร้องสูงมีเสียงคล้ายๆกับคนเปิดเสรนเบาๆจึงบอกให้นาทีหยุดรถรถทุกคันก็หยุดท่านเจ้าคุณมาสุสิงหนาฏหรือว่าภูมิท่านคุนเรืองรัศมีแล้วก็เอียงสมนึกคนทุกคนมาช่วยกันดูรถของพ่อจับได้ว่ายางแตก ก็ออยางท่อน้ำแตกหาเสื้ อ, อไหลไม่มีจยกคนมาสู่สิงานาัในช่างใหญ่ก็จัดการเอาเทปมาพันธ์อประทางให้มาใช้ได้เอีงเป็นหน่วยบริการเข้าถอดแล้วก็ใส่รู้สึกว่าเขาคล่องดีมาก ขณะที eses, Grandma, ally, ่กําลังปรับปรุงรถเกงอยู่นั้นก็ปลาหลดลงลาขอรถเมย์ที่เปียกนั่งมาจากกรุงเทพผ่านไปแต่ก็เปียกไม่ทันเห็นพวกเราก็ไม่เห็นกันคิดว่าจะไปรอเปี๊ยกที่สามแยกแต่โอกาสที่จะรอก็ไม่มีเปียกไปรออยู่ก่อนกว่าจะทํากันเสร็จก็สิ้นเวลาไปเท่าไหร่นท่านสี่หกนากาไม่ยสิห้า ก็เข้าไปถึงส7บเจนิกาเสร็จจึงวิ่งกันต่อไปถึงสามแยกประจบกิริคันเป็นเวลาสิบแปนิกาเศษนิดหนึ่งเห็นท่านพันเอกประสานแับคุณนายสมพิษพัญญาและคณะสิทธิ์บางคนและก็เปียกมารอรับอยู่ มาถึงสามแยกประจกพิริขันจะเข้ากลองวานจึงได้บอกให้รถหยอดให้คนทุกคนเข้าห้องส้วมห้องน้ำกันสะก่อนพอดีม่ดีถ้าไปถึงบ้านห้องส้วมห้องน้ำเล็กแคบแคบและมีน้อยจะยุ่งกันใหญ่เมื่อเสร็จภารกิจเรื่องกายถ่ายของเก่าบริโภคของใหม่คือกินน้ำใหม่แล้วก็เดินทางพันเอกพิเศษสารพาเรืวอวิ่งค่ะ อรถนำเข้าคลองวานผ่านจังหวัดประจวบคิริคันแล้วก็เลยไปครองวานคลองวานนี่น่าจะเรียกว่าครองปลาวานเพราะว่าพวกชาวใต้มักจะตัดสั้นๆเดินทางล้อลัดตัดไปในป่าของมะพร้าวก็ถึงบ้านพันนุดเองพิเศษเล็กฟอตี้กับคนนาย บ้านนี้เป็นนักบุญใหญ่จริงๆมีจิตไปมาหาคุณสนมากยากที่จะคนอื่นเส ม, มอทำให้เกินเือได้ถ้ามาเส ม, มอนะพอมีเมื่อเข้าไปแล้วจเจ้าเของบ้านก็แสนที่จะดีต้อนรับขับสู้ให้กำลังใจดีอย่างยิ่งทั้งบรรดาลูกรักชายและหญิงพ่อ บ, บองเวลาแล้วเห็นว่าเวลาหมดแล้วสาหรับเทบหน้านี้ ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี